ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงวันก่อนก็ลืมอธิบายไปว่าเมื่อมาถึงโลกนี้แล้วพระ ก็ตามใจชอบตามใจชอบแต่ก็วันก่อนชนะชนะต่างๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างๆที่เป็นโลกที่มีๆ แม้แต่โลกทั้งหลายแล้วนั้นก็ไม่สามารถ มันไม่ได้กินวิ่งเข้ามาในท้องมันเองแล้วฝรั่งก็ไม่มี <c oughs> ตรง ถึงว่าวัตถุที่มีอยู่ในท้องของโลกนี้เอางี้ดีกว่าผิวของโลกนี้ที่เป็นท้อง ถ้าวิสุทธิ์กันจริงๆมองไม่ เชื่อว่าจริงๆนี่ก็ขอยืนยันว่าเป็นนิทานจริงๆเรื่องทั้งหมดจริงตามเรื่องของนิทานแต่ว่าหากว่าท่านผู้ใดมีความเข้ามีความข้อง ดีถ้าว่าต้องการความจริงหรือไม่จริงถ้าที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่พูดอะไรไว้ใคร กล่าวความว่ามาคุยกันต่อไปทีนี้พระท่านก็เชิญชวนชม มันมีการกระทบกันทีนี้นอกจากมากคนบ้างน้อยคนบ้างไม่จะไป เจ้าเครื่องบินประเภทนี้มันจะไม่กล้อง <c oughs> для подт vaccines ถ้า i ask what to control think of a kuv Zurich to see the enzyme re Burton after all, feel good to show up in the end of the pe глx after hearing from this morning, we have time of producciónot the我們的 skin cover covers a skin shape soft state have skin skin become bright, thin skin and we have texture in skin it's because of rain ไอ้เต็ดดอยเป็นข้อที่ไม่น่าดูแต่บางดวงก็ต้องคิดว่าดวงเป็นแสงสว่างใน เป็นเหตุให้เจ้าทองเขาเจ้าโลกดำในสว่างพอบางที่ก็สว่างมากบางที่ก็สลัวสลัวตามแสงที่ส่งมาตะนี้ขณะที่แสงของเจ้าดวงดาว แสงสว่างแต่ก็แปลก ไอ้สันธวั่งจริงๆหน้าโคจะอยู่ข้าง ก็เป็นว่าดวงดาวทุกดวงที่เข้าไปในนั้นไม่ เดินไปสัมผัสกับหินบ้างสัมผัสกับดินบ้างที่เป็น วางจุดตรงทุบแล้ว ความจริงมันไม่ใช่หินเพชรทั้งก้อนมันไม่หินประกอบเป็นรังสีใช้งานได้ใช้งานทั้งในด้านสันติและการรบการลบราคาฟันแต่ร่างกายของเรานี้ที่เรามากันนี่มันเป็น <c oughs> เสีย แล้วก็ที่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยอหินประเภทนั้น <c oughs> <c oughs> แต่ในเมื่อสภาพมันตายแล้วมันจะกลาย ถ้าแรกประเภทนี้มันที่เธอหยิบขึ้นมาเมื่อกี้นี้พอฟังท่านอธิบายแล้วก็ดูเพชร แต่ก็เป็นที่น่าชื่นใดเพราะพบไปงามเมื่อฝันบินเพราะ <c oughs> ถ้ามันจะอยู่เฉยสมัยที่อยู่มีแรงถ้าพบอย่างนี้เดินผ่านพาเดิน <c oughs> ก็กราบเรียนท่านว่าอย่างนี้โลกมนุษย์มีมั้ยท่านบอกว่ามีหลายจุดมีเหมือนกันแต่ว่าที่นี่ถ้ามีอายุยืนยาวกว่าเค้าแข็งกว่าใช้ได้ประโยชน์ดีกว่าก็ท่านก็บอกว่าอีกได้ประเภทหนึ่งคือแร่ทองคํามีมั้ยถ้าบอกมีแต่ว่าโลกที่เราอยู่อยู่ มีเป็นจุดๆมีเป็นแหม่น้ําลาย 6 ไม่ใช่ไหล 6 จ๊อกต๊อกไม่ได้ ไม่ไกลนักข้ามโลกต่างๆที่ฝั่งหน้าไปประมาณสัก 3 โลกแล้วแต่โลกนี้มีสภาพ หยิบขึ้นมาได้ทันทีเหมือนกองทรายที่เรามีมีกองทรายอยู่เหมือนกัน 3 กิโลเป็นทรายทองทั้งหมดถามถึงบอกบริเวณแล้วบอกบริเวณ ระยะกว้างๆประมาณ 3 กิโลครึ่งแล้วถามว่าที่อื่นป่ะที่อื่นก็มีเป็นจุดๆแบบนี้แหละก็เดินกันเรื่อยๆไปดูกันรอบๆเพราะว่า <c oughs> เพราะแบกหามหยิบเอามาไม่ได้จะใช้ศัพท์แบบชักผ้าประสกุลอีมังวัตถังอสัมมิกังโอเปมิเลยอีมังสุวรรณัง ก็อาจจะมีเจ้าของก็ได้ถ้าไม่มีเจ้า ช่วยหยิบทองคําหยิบเพชรมา 300 คนเลี้ยงด้วยให้เสื้อผ้าผ้า วัดก็มีพระก็มีคน ไอ้ขนทองมาแล้วขอแบ่งส่วน <c oughs> ถ้าใช้เวลานี้ใช้กําลังตาเท่าตาๆการเข้าไปอยู่ที่นั่นมันก็ มองไปข้างหน้าจะเป็นฟ้า มาวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาอยู่พักนึงก็ถามพระแต่บอกว่าไอ้ญาณภาณะที่มีลักษณะกลมๆถ้าบินล่อนไปแล้วมานี่เค้าเรียกจานบินใช่มั้ยพระแต่ก็บอกว่าจานเข้ามันเอา มองไปทางด้านซ้ายมือเห็นเหมือนกระรยศ แล้วก็เครื่องยนต์ของขาวเค้าไม่ได้ใช้น้ํามันเค้าใช้แรดใช้รังสีของแรดขับเคลื่อนเออเหมือนกับนิวเคลียร์มั้งแบบนั้นถ้าใช้เป็นน้ํามันมันก็บรรทุกไม่ไหวเพราะฉะนั้นน้ํามันกันมากเมื่อชมกันไปชมกันมาอยู่พักนึงเห็นว่าทั่วไปทั่วแน่ไป ว่าดาวพวกนี้มันจะกินข้าวที่ไหนตระหนักในใจว่าดาวมันเป็นวัตถุมันก็ เข้าไปในถ้ําจระเข้ เปรียบเทียบกันบ้างมีเสมอกันบ้างเสมอกันก็ก็น้อยแต่ดวงโตกว่านั้นมีมากเมื่อชมกันพอสมควรกับพระเทวัญชนบอกว่า คนฟังทุกคนอย่าลืมแบบไหนก็ได้แบบยาขอบเถียงๆท้องเรื่อง 2-3 บรรทัดกี่บรรทัดก็ไม่ทราบไม่แต่ยาขอบแต่งไม่รู้กี่พัน อันนี้ก็เหมือนกันเรื่องจริงๆก็มีไอ้ดวงดาวดวงดําๆเนี่ยเรื่องนิด พระพุทธรูปท่านนั่งเฉยๆแต่ก็ยิ้มตลอดแก่ท่านเมื่อบุญ พระบงหวยนี่ไม่ได้โดยตัวองค์อ่ะโจรพระองค์ตูหวยนี่ไม่เคยไม่เคยแบ่งให้ถ้าไม่ถูกด่าไม่ถูกอะไรด่าเมื่อนั้นถ้าถูกอะไรเงียบมีขันติอดทนมากเมื่อไม่ได้ขาวางเฉยไม่แบ่งไม่ปันให้นี่เพราะที่ให้หวยทุกพระทั้งซวย ให้เค้ามีความสุขพักก็ให้มีความไหลอยู่ในช่องเฉพาะขอบเขตไม่ แต่ความจริงทุกสิ่งทุก 100 ปียังไม่ออกรอ ก็รวมความว่าคุยมากเกินไปรวมความว่าคุยมากเกินไปๆเข้มๆแล้วแล้วก็ ยังไม่มีปัญญาต่อไปไม่ช้าไม่นานนักก็เดี๋ยวก็จะตื่น ปาขมีความชุ่มชื่นต้องลอยข้ามปาไอไกลมากก็ต่อมาก็มองเห็นมหาเป็นน้ำเกียวอ่อนๆมั่นมองแล้วชื่นตาชื่นใจไม่เกียวเข้ยเหมือนน้อนทะเลหล่ะของเราเป็นมหากว้างใหญ่พออร์ษารมากเพื่อนในที่ใต่แล้วก็มองไปรอบรอบ <c oughs> ไกลออกไปจากฝั่งมหาสมุทรพอสมควรมันมีเมืองมีเมืองอยู่หลายเมืองตั้งเป็นระยะระยะระยะมันก็ไกลกันนะระยะแต่ละเมืองไกล มองไปใน ลอยไปลอยมาก่อนดูมันซะก่อนดูด้านถือว่าลอยอยู่ๆไปๆๆมากมีทางกว้างขวางบ้านเมืองก็เต็มด้วยความสะอาดชื่นใจ <c oughs> <c oughs> ความอยากปรากฏก็กราบเรียนพระตําหลวงว่าถ้าอย่างนั้นขอลงใกล้ๆที่ฝั่งถ้าท่านว่าท่านเห็นส้มคนตรงไหนประมาณ 10 โยชน์ จะเข้าเขตเมือง 3 เมืองท่าทของ 3 เมืองติดต่อกัน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พลสวัสดี